มาดูในหน้าเก้าสิบหกเลยนะเดี๋ยวไม่ใช่ไปเปิดพูดประวัติเข้าเราเรียนคนละเล่มน่เปิดพูดประวัติเอ๊ะทาไมไม่เห็นวายเหมือนกันมเลยเนี่ยเขาเคยแจกไปแล้วรูการเคยแจกไปแล้วแจกแล้วแต่ว่าเล่ปนนี้ครับเล่มนั้นเล่มหากวงานี้เล่มนี้ที่จะจับหน้าใหญ่ขึ้น ออออคือตาเขาบอกว่าเข้ามาปรับปรุงแล้วปรับปรงเพิ่มอีกนย่นเงนะว่าครูมูชโชในี้ตอนใ้จเจริญพุทธานุสเติเดีคนหมักดีแล้วถ้าจเจริญพุทธคุณมากๆก็ไม่ค่อยเหงา แต่ว no, no. <worries> ok, ่าปกติก็ไม่ค่อยเหงาอีกแล้วใช่ไหมมีเพื่อนอยู่ด้วยกระซิบไปเรื่องนั้นทีกระิบกระซิบไปเรื่องนี้ทีก็ไม่ค่อยเหงาอยู่แล้วนะแต่ถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าจิตจวิเวกวรางั้นจะวิเวกบ้างก็ตอนที่เจริญพุทธานุสตินี่แหละว่างั้น ข้อความในทุติยะอวิชชาสูตรเนี่ยนะข้อเกหน้าเก้าสทั้งคอทั้งหน้านี่ตรงกันหมดเลยครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถึงก็ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญธรรมะข้อหนึ่งซึ่งภิกษุละได้แล้ว ย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นมีอยู่หรือเออทละหนึ่งอย่างนะแล้วละอวิชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นเนี่ยมีไหมธรรมะแบบนั้นนะจะเอาข้อเดียวด้วยนะโป่งกระตักว่ามีอยู่พิกษุภิกษุก็ถามต่อไปว่าเป็นชะไหนพระเจ้าข้าโป่งก็ตอบว่าธรรมะข้อหนึ่งคืออวิชชาแล ที่ภิกษุละได้แล้วย่อมละอวิชชาได้เออถ้าละอวิชชาก็เป็นอันละอวิชชาได้นะเรียกว่าถ้าเป็นธรรมดาทั่ ว, วไปนะตอบมาเขา้าใจยากงั้นนะถ้าละอวิชชาแล้วก็ละอวิชชาได้วิชชาก็ย่อมเกิดขึ้นทีนี้พระภิกษุท่านก็รู้ก็ถามว่าข้าแต่พู้องค์ผู้เจริญ เมื่อภิกษุรู้อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงละอวิชาได้วิชาจึงเกิดขึ้นพระเจ้าข้าก็คือถามปัญหาเอ๊ะรู้เห็นยังไงนะจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิดขึ้นพระผู้มีพร ะ, พระภาคก็ตรัสตอบถึงเนื้อความโดยสรุปที่เป็นพระธรรมคำสอนของพระองค์เลยนะว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น อันนี้ก็เป็นประกาศใจความที่ที่ปฏิบัติกับทุกขศัพท์ต้องปฏิบัติอย่างนี้นะบอกไว้ว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นก็คืออุปาทานขันทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นซึ่งที่บอกว่าสัพเพทำ ม, มาตัวนั้นเนี่ยหมายถึงว่าธรรมะที่เป็นไปในภูมิสามก็คืออุปาทานขันนั่นเองอุปาทานขันทั้งปวงนี้ไม่ควรยึดมั่นก็ฟังอย่างนี้ทีนี้พอฟังอย่างนี้ทําไง พอฟังอย่างนี้เธอร่อมเอ่อเธอย่อมรู้ยิ่งซึ่งทำทั้งปวงอันนี้ก็เป็นยาตะปริญญาเนี่ยนะรู้ยิง่งนะ น, นคือพอฟังแล้วว่าเออทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นนะหมายถึงอุปาทานขันเนี่ยนี่พอฟังอย่างนี้ก็ต้องมาทำปริญญาใช่ก็รู้ยิ่งซึ่งทำทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งซึ่งทำทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ทำทั้งปวงอันนี้ก็ตีระณะปริญญา ครั้นกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงแล้วย่อมเห็นนิมิตทั้งปวงโดยประการอื่นอันนี้เป็นปหาหนะปริญญานะที่เห็นโดยประการอื่นเป็นยังไงก็คือเห็นจากสุโดยประการอื่นเห็นรูปโดยประการอื่นเห็นจากสุวิญญาณจากสุสัมผัสสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุคขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยประการอื่นนนะ่คือพอฟังแล้วก็นะฟังพอพอสรุปใจความว่า ทุกขศาสตริย์หรืออุปาทานขันท่าทั้งปวงเนี่ยไม่ควรยึดมั่นว่าตรงๆก็คือไม่ควรยึดมั่นว่าเที่ยงว่าสุกว่างามว่าอัตตาอันนี้คือโดยทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นหมายถึงอย่างนั้นถ้าเป็นที่อื่นนะแต่ถ้าเฉพาะตรงนี้เนี่ยเน้นอนัตตาอย่างเดียวคือไม่ควรเข้าไปยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอัตตาแล้วก็เน้นขยายคําว่าปารตโตนั่นเองนะนี่คือมันเป็นประการอื่นอะนะคือมันเหมือนกับของคนอื่นจริงๆนะตาเนี่ย สีก็เหมือนกับคนอื่นจริงๆจากคูวิญญาณภาษะเวทนาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเห็นโดยประการอื่นะ่ะก็คืออีกใช้หนึ่งอีกคำหนึ่งแทนคำว่าอนัตตาประโตเนี่ยนะวยพศของอนัตตาจะมีสุญญโตาว่างนว่างริตตโตเนี่ยเปล่าตุดโ ช, ห ร, ดโ ช, ดชโหรือตุดโชก็เปล่านตุดชโตหรือตุดโฉก็เหมือนกันหรือมีคำหนึ่งก็คืออนัตตโต พวกนี้เป็นคำแทนอ น, นัตตาทั้งนั้นลปรโตด้วยนะพวกนี้ก็คือประกาศถึงความเป็นอ น, นัตตาว่าจากักรสูนี้เป็นอื่นนะบางคนที่ขาดความเข้าใจเนี่ยนะเอ๊ะตามเป็นอื่นไนดะ้ยังไงมันเป็นของเราอะ่ะก็เราใช้กันมาตั้งนานมันเป็นเป็นอื่นด้วยหรือก็คือเป็นเนี่ยนะเพราะว่ า, าที่สูรูปนี้ที่ฟังนี้เป็นผู้มีปัญญามากเนี่ยนะผู้ที่มีปัญญานี้พระพุทธเจ้าจะประกาศอ น, นัตตา แต่ถ้าผู้มีศรัทธาพระองค์ก็จะประกาศอันนี้จังใช่ไหมถ้าผู้ที่มากไปด้วยสมาธิเนี่ยพระองค์จะประกาศโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนะอันผู้ที่ฟังเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นผู้กําหนดว่าพระองค์ต้องแสดงอนัตตาแต่ก็คำว่าอนัตตาก็ใช้คําว่าเป็นโดยประการอื่นเนี่ยนะก็ทวารอื่นๆก็เหมือนกันนะโอ้ เป็นประการอื่นเสียงโสตวิญญาณภาษะเวทนาเนี่ยเป็นโดยประการอื่นคือมันไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครอ่ะมันก็มีอย่างนั้นอะ่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ที่ควรจะเป็นอ่ะนะมันเป็นอื่นได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเอาทฤษฎีผู้การที่ว่านะเห็นรถบ้านอื่นอะ่ะแล้วคิดยังไงนะผู้การเล่าให้ฟังสิดูเล่าบ่อยแล้วทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะ คือเหมือนคือเหมือนคนวิกลจริตอะฮะคือไปเห็นรถข้างบ้านว่าเป็นของเราแล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะรถดกต่อต่อดดูข้างรั้วบ้านอะนะแล้วอะไจะเกิดขึ้นนะโดยที่เราเข้าใจเข้าใจผิดจริงๆนะว่านี่มีของเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครใครใครขึ้นไปขับเนี่ยหมายไม่พอใจนะใครจะไปใช้ก็ไม่พอใจอ่ะหรือว่าใครจะมาทำให้มันเลอะเทอะอะไรนี่นะ ไม่พอใจนะแน่ถ้าเราจะไปใช้ก็ใช้ไม่ได้อะนะเราเราก็มั่นใจว่าของเราอยู่นั่นแหละแต่ก็ใช้ไม่ได้มันต้องเดือดร้อนแน่ๆเลย <c oughs> มันดูๆแล้วคนเรานี่มันมิผล่ามันวิปลาสจริงๆนะ <c oughs> แล้วจริงๆมันเป็นอย่างนั้นด้วยนะนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่คําอุปประมาณนะไม่ใช่คําอุปมาณนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราว่าหลงวัดตาเนี่ยเป็นของเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเอาดี แล้วจริงๆมันเป็นไม่เราไม่เป็นของเราจริงๆครับแต่ทีนี้ถ้าอันนี้หมายถึงคนที่รู้ยิ่งและกําหนดรู้หมายถึงคนที่ทํายาตาปริญญาและตีรณะปริญญาเนี่ยจะยอมรับในส่วนนี้ว่าเออเป็นอื่นจริงๆนะเนี่ยคือไม่เป็นอย่างที่ต้องการมันต้องประกอบไปด้วยโซกะโอเคพวกนี้<ร>จะนาํามานํามาซึ่งทุกข์ทั้งนั้นเลยเนาะ ราคาโทรศัพท์เป็มทุกวันคนข้างบ้านนันนะถ้านเขาเกิดเข้าใจผิดกันจริงนะเขาจะต้องมีความทุกร้อนแล้วบางทีเขามีความระมีความชอบใจเพลิดเพลินในรถ ด, ด้วยไม่พอใจคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยะอะไรยาสารพัดเลยนะถ้าถ้าไปสำคัญผิดก็สัตท์ทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อสำคัญผิดตาสีจะขู่วิญ ญ, ญาณภาษเวทนาว่าว่าเป็นฝ่ายเราเนี่ยนะ หูเสียงโสตวิญญาณจมูกกลิ่นคานาวิญญาณเลนรสชิวหาวิญญาณเนี่ยนะกายโพธะภะกายยะวิญญาณแล้วก็โดยเฉะทวารใจเนี่ยมโนธรรมะมโนวิญญาณใครคิดว่ามโนวิญญาณมันเป็นของเราบ้างคนอื่นเขาเอาไปทางนั้นไงโทสะเอาไปทีหนึ่งสร้างความเดือดร้อนให้มากโลภะเอาไปทีหนึ่งโมหะเอาไปทีหนึ่งเดี๋ยวอนุนก็ฉุดไปทีวิตตกพาคิดไปเรื่องนั้นทีพาคิดไปเรื่องนี้ที ถ้าใจมันเป็นของฝ่ายเราจริงๆอ่ะนะกระบอกแกนิ่งนะมันก็น่าจะนิ่งอนยะู่นิดๆนิดๆมันนั่งอยู่ครึ่งชั่วโมงมันไม่ค่อยนิ่งเลยเงมนะันไปอื่นหมดเลยอย่างไงมันมันเป็นคนอื่นทั้งนั้นเลยอ่ะท่านก็บอกว่าปาร์โตงันเป็นอยู่พวกอื่นฝ่ายอื่นแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ทําปริญญารอบรู้ในทุกทวารทั้งหมดจะรู้ว่าทุกอารมณ์เนี่ยเป็นฝ่ายอื่นหมดเลยที่กล่าวว่าฝ่ายอื่นก็อย่างว่าอะไรที่มันเป็นของคนอื่นมันเป็นยังไงอ่ะ คืออยากจะใช้ก็ไม่ได้ใช้ก็บอกว่าอะไรก็ตามที่ขึ้นอยู่กับบุคคลอื่นสิ่งนั้นนํามาซึ่งความเดือดร้อนหมดเลยถ้าผลประโยชน์อยู่กับคนอื่นมีอยู่ครั้งหนึ่งนางวิสาขาเนี่ยเขามีญาติส่งเครื่องบรรณาการมาให้ส่งส่งของมาให้นียะทีนี้มันก็ต้องผ่านด่านภาษีอากรตามระบบเนี่ยในพวกเจ้าหนะ้าที่ก็ไปเก็บไปริบไปอะไรกันเนี่ยนางก็ ไปเดินเรื่องนี้เพื่อที่จะไปคุยกับพระเจ้าปอร์เซนที่โกสนพระเจ้าเปร์เซนที่โกศนก็ไม่ออกจากวังสัทีไงนะก็อยู่แต่ในวังแหละก็เลยไปสองสามวันแล้วไม่ได้งานอะไรเลยอ่ะไปแล้วก็เปล่ากลับมาไปแล้วก็เปล่ากลับมาเนี่ยนะคืออํานาจมันอยู่ที่เขาใช่ไหมนะก็นางก็ก็ไปเที่ยงวันนี้เข้าไปวัดแล้วนะนะพระองค์ก็บอกแม่แหละสิ่งอะไรก็ตามถ้ามันอยู่กับผู้อื่นแล้วมันเป็นทุกข์อ่างนั้นจ้ะก็เท่ากับประกาศว่า รูบนามขันห้าทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นฝ่ายอื่นผู้ใดที่ไปสำคัญไมยไปยึดถือคนนั้นนะ่ะทุกแน่เทพะองบอกว่ามีอะไรบ้างไ้ยที่บุคคลเข้าไปยึดถือแล้วไม่นำมาซึ่งทุกขนะ์ในวัตถุนั้นนั้นอนะที่เข้าไปเพลิดเพลินแล้วไม่นำมาซึ่งทุกข์เลยอะไม่มีหรอกที่เป็นอุปาทานขันที่เป็นอุปาทานขันแต่ถ้าสิ่งที่ไม่ใช่อุปาทานขัน ก็ไม่ยึดอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นอุปาทานขันเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์หมดแล้วก็สิ่งเราเนี่ยมันเป็นฝ่ายอื่นท่านค้าถ้าเรายอมรับในสภาพว่าในธรรมะทุกทวารเลยนะเป็นฝ่ายอื่นทั้งหมดเมื่อเรารับรู้ว่ามันเป็นฝ่ายอื่นแล้วจะทำใจยังไงจอมินิตเออเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอื่นนะรูปเสียงกลิ่นรสโรภชภะธรรมรมก็เป็นอื่น จากขูวิญญาณเป็นต้นเนี่ยนะไอการรับรู้การเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสความนึกคิดนึกคิดอน่นะนึกคิดสาราลาแวแสดงก็สนทนากับพระต่างประเทศพักเดียวออกมาเรืคิดเลยก็ความคิดอ่ะนะความคิดเนี่ยมันก็เป็นฝ่ายอื่นจริงๆรย น, นไม่เชื่อนะใครน้อมฝึกจิตแต่ศีกานะคุณคุณชมูมันฝ่ายเราหรือฝ่ายไหนกัน โดยมากออฝ่ายเราหรือฝ่ายเขา<笑><笑>ฝ่ายเขาอะนะ ม, ม, มันไม่ตามเราเลยนะพวกอื่นทั้งนั้นเลยอะ่ะก็บอกกันิ่งหน่อยนะบอกไม่เอาอ่ะฉันจะไปอะ่ะยานะบอกยิ่งอะ่ะก็ ย, ยิ่งห้อมยิ่งยุ่เลยความคิดเนี่ยความคิดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ น, นะดูวันไหนนอนไม่หลับด้วยวันนั้นอาจจะยิ่งไม่ใช่ฝ่ายเรามากขึ้นเนะเพระการนอนไม่หลับมีไม้ทั้งคืนกันนะเนี่ยนะวันนั้นฝ่ายเราหรือฝ่ายเขานะ หลับๆ ห, หน่อยเธอะมันก็ไม่ยอมอีกนะเพราะในความเนี่ยถ้าเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเป็นคนของฝ่ายอื่นถ้ายอมรับด้วยใจจริงๆเนี่ยว่าเป็นฝ่ายอื่นเราจะทํำยังไงเนี่ยะจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วยอะไรเกี่ยวข้องยังไงทุกค น, น้อยลงอย่างน้อยที่ก่อนอื่นนีทุกน้อยลงมดเลยคือถ้าหากว่าเราทั้งหลายมีการยอมรับว่าสังขารหรืออุปาทานขันหรือทวารหกเลยเนี่ย เป็นฝ่ายอื่นทั้งหมดเนี่ย่ย น, นเนี่ยการไม่เราก็ไม่ยึดมั่นคือไม่มีตันหาหรือตันหามันลดลงถ้าตันหาลดอะไรลดอีกอ่ะนะอากุศลทั้งหลายก็จะลดลงนั่นนะโดยเฉพาะที่เราไปสำคัญหมายเนี่ยนะคือทุกทุกก็เกิดโดยมากก็เกิดจากการยึดถือเมื่อวัตถุนั้นแปรไปทีนี้ถ้าวัตถุเหล่านี้จะแปรไปเนี่ยเมื่อไม่ยึดเราจะทุกไหมเราก็ไม่ทุกอยู่แล้ว อันนี้เป็นอันนี้สงที่เห็นเห็นได้ในปัจจุบันเลยเพราะอะไรเพราะวัตถุใดที่เราไม่ยึดวัตถุนั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกขนะ์ก็เอาหลักการอย่างผู้การว่าก็ได้บ้านเนี่ยนะบ้านที่ถ้าเราไม่ได้ยึดอ่ะนะบ้านหลังนั้นพอขายออกไปปั๊บเนี่ยโหเขาจะรือ้อจะซ่อมจะทํายังไงทําได้หมดเลยเนี่ยนะสบายใจหมดเลยเราไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรเลยใช่ไหมถ้าเรามีที่นะเราบอกว่าเป็นที่คนอื่นไปแล้วนะจะทํายังไงก็ทําไปก็ไม่เดือดร้อนอีกนั่นแหละนะ เพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็ตามถ้าเรายอมรับว่าเป็นฝ่ายอื่นสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งความสุขเป็นอย่างมากอะไรจะเกิดมันก็เกิดไปแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะอ้าวแล้วก็แล้ว ท, ทำใจยังไงอ่ะคันนี้ก็กลายเป็นคนอาภัพไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยหรือเปล่าเมื่อยอมรับว่าทุกอย่างเป็นฝ่ายอื่นอ่าไม่ใช่เลยพวกที่สาคัญว่าทุกข์สัตย์เป็นฝ่ายอื่นสิ่งที่เข้าภาพเพียนเพื่อจะดารงอยู่คือ กุศลธรรมเนี่ยเนีเขาจะรักษากุศลธรรมได้อยา่างบริสุทธิ์ผุดพองเนี่ย น, นีเพราะอะไรเพราะว่าไม่เห็นวัตถุใดที่ควรแก่การไปทําบาปเพราะวัตถุนั้นนั้นคนที่ยึดถือในวัตถุทั้งหลายใดใดเนี่ยเนี่ยมีไหมที่ไม่ทําบาปในวัตถุนั้นยากส่วนผู้ที่ไม่ยึดถือก็ไม่เข้าไปทําบาปเพราะวัตถุนั้นเนี่ยนี่พราะนั้นทำไม่ทําบาปอันนั้นแหละเป็นเหตุแห่งความสุขนนเนี่ย ก็โดยสำคัญที่สุดเนี่ยนะถ้าไม่ยึดก็ให้ไม่ยึดทุกอารมณ์ด้วยนะไม่ใช่ว่าเลือกที่รักมักที่ชังกันะถ้าทำไม่เอาก็โดยที่สุดนะั้นโดยสังเกตทวารใจนะพงศ์ตรัสไม่มีส่วนเหลืออยู่แล้วนะเห็นใจเนี่ยเป็นฝ่ายอื่นมโนอะเห็นธรรมะคือเจตสิกทั้งหลายที่อยู่ในจิตเนี่ยเป็นฝ่ายอื่นมโนวิญญาณะทุกความคิดเป็นฝ่ายอื่น มโนสัมผัสแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่มีมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเนี่ยเป็นฝ่ายอื่นเนี่ยนะันถ้าหากว่ า, ามีการพิจารณาใคร่ครวนอย่างนี้ในทุกอารมณ์และทุกทวารก็จะไม่สำคัญว่าเป็นเป็นอะไรเป็นเราและเป็นของเราเนี่ยนะมันตามสูตรอื่นๆก็บอกว่าเธอก็จะไม่มีในโลกนี้ด้วยคือไม่สาคัญในวัตถุใน ภายในไม่สําคัญในวัตถุในภายนอกคือไม่เข้าไปเนิ่นช้าด้วยตัณหามาณทิฏฐิในวัตถุภายในในวัตถุภายนอกแล้วก็ไม่เข้าไปสําคัญหมายในความคิดเนี่ยนะดังนั้นก็จิตก็จะน้อมไปในธรรมะที่สงบประงับจากสังขารทั้งมวลอันนั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งนั่นผมมองในลักษณะที่ <c oughs> ที่เป็นเสรีชนครับถ้าบุคคลใดที่ไม่มีอุปาทานอย่างนั้นเนี่ย ความเสรีเนี่ยมันจะต้องยอดเยี่ยมเลยเป็นเสรีจริงๆแต่ที่เวลาเนี่ยมันเป็นข้าธาดมันไม่ใช่เสรีอ่ะไม่ใช่ธาตนะ ม, มันเป็นมันเป็นธาดมันเป็นขี้ข้ามันไม่เสรีการพูดคำว่าเสรีนี่ก็นึกถึงเสรีนี่มีสองอย่างนะที่ปูดการว่าเสรีนี่ตามหลักจริงๆของเราก็แสดงว่ามีสองอย่างคือ ธรรมะเสรีกับบุคคลเสรีนะธรรมะเสรีนี่ก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มอีกคือกลุ่มโพธิปักิยธรรมโพธิปักญาธรรมอันนี้หมายเฉพาะอาโลกุตระธรรมนะอันนี้ก็เป็นธรรมะที่เสรี แล้วก็พระนิพพานเนี่ยเสรีจากปัจจัยนิพพานเนี่ยเสรีนะไม่ต้องขึ้นตรงต่อปัจจัยใดๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าจะมีความสุขขนาดไหนหรืออีกในหนึ่งนะบุคคลที่เสรีเนี่ยคนที่ไม่เสรีเนี่ยด้วยอํานาจของกิเลสทั้งหลายใช่ไหมทำให้ไม่เสรีทําให้เดือดร้อนตลอดเวลาเดือดร้อนเพราะราคะบ้างเดือดร้อนเพราะโทสะบ้างหรือถ้าเป็นคนที่อยู่ในขอบเขตเช่นติดคุกเนี่ยนะก็จะไม่เสรีใช่ไหม แต่คนข้างนอกก็นับว่ามีความสุขกว่ากว่าคนในคุกอย่างเง้ยนะคนที่เสรีทางความคิดด้วยเนี่ยนะคือมีธรรมะเสรีแบบนี้บุคคล น, นี้จะเป็นบุคคลที่เสรีก็คือพระอรหันต์นั่นเองบุคคลเสรีเท่ากับพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้เสรีอย่างแท้จริ ง, งนีนะดูในจูลานิเทศนะในคัคคาวิสานสูตรพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านจะ นิยมพูดคําเหล่านี้ฉนั้นความเสรีเนี่ยเป็นความสุขอย่างยิงย่งนะแต่ถ้าแหมอะไรมันก็ติดขัดไปหมดเลยนะสมมติว่าว่างๆไปกรุงเทพนะลองให้มันติดขัดด้วยนะขับไม่เสรีเลยนะถนนในกรุงเทพนะแล้วรถเราก็ไปจอดอยู่กลางๆด้วยนะรถติดข้างหน้าก็ติดข้างหลังก็ติดถอยก็ไม่ได้เลี้ยวก็ไม่ได้เนี่ยนะอันนั้นไม่เสรีเลยใช่ไหมเป็นความทุกข์อย่างยิ่งนนะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าถ้าโล่งหมดเลยอะไรจะถามว่าจะดีไหม มือการใช้ความคิดก็เหมือนกันนะถ้าแบบธรรมดาทั่วๆไปนะคิดเรื่องไหนก็ตีตันไปหมดเลยนะแก้ปัญหาไม่ได้ทุกเรื่องอะ่ะไม่เสรีทางความคิดถามว่ามันเดือดร้อนขนาดไหนผู้ที่คิดอะไรแล้วคิดออกมองทะลุปโปร่ปรปรงหมดเนี่ยนะถามว่ามีความสุขขนาดไหนใช่ไหมนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ติดข้องในอารมณ์ทั้งมวลโดยที่รอบรู้อารมณ์ทั้งหมดแล้วก็ถอนฉันทราค่าได้จะเป็นบุคคลที่มีความสุขขนาดไหน นนยอยากเป็นเสรีชนอยากเป็นเสรีชนบ้างนะ น, นั้นก็อยากเป็นเสรีชนก็ประพฤติด้วยจริยาแปดเงี้ยนะจริยาแปดนะเพื่อความเป็นเสรีชนนะครูบรรจุ<น>ก็นะเจริญสัมมาทิฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสามาธินะอันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นเสรีชนเงี้ย น, นะ ก็คือเนี่ยประพฤติด้วยมักแปดนั่นแหละคือเราลองมาเทียบดูน ะ, ะว่าชีวิตคาราวานี่นะฮะชีวิตครอบครัวเนี่ยนะผู้ที่มีครอบครัวนะฮะกับผู้ที่ไม่มีครอบครัวเนี่ยความเสรีต่างกันลนะนะคนเป็นโสดเนี่ยเสยรีมากกว่านะคนไม่โสดนี่เสรีถึงมุิยังไม่มียังไม่มีลูกมีเต้าเลยนะคน ที่เป็นโสดย่อมเสรีกว่านะส่วนคนที่มีลูกมีเต้านะคนที่มีลูกน้อยเสรีมากกว่าคนที่มีลูกมากคนมีลูกห้าหกคนนี่นะเสรีภาพน้อยมากเลยส่วนคนมีลูกสักคนัองคนอยังเอ อ, อยังเสรีมากกว่าจะมาแม่ลูกสามคน <c oughs> นั่นแหละครับพ่อแม่น่ ะ, ะาขาเสรีภาพยังมากมากจะ กินจะอยู่ก็ไม่ได้เสรีจะไปเที่ยวไหนก็ไม่เสรี่จะเลือกการงานไม่เสรีไปหมดนะครับนะเพราะว่าติ่งเหล่านั้นนะครับมันคอยบังคับไว้นะคือมีนายเยอะเหมือนกันเถอะ <c oughs> ก็เห็นชัดๆอยู่แล้วครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้ามองไกลกว่านี้หน่อยนะผู้ที่มีทรัพ์สมบัติมากไม่เสรีนะครับมองให้ลึกๆนะครคนที่มี คนที่มียิ่งมากนะ ย, ย, ยิ่งยิ่งยิ่งยศศักดิ์มากนะยิ่งยิ่งเสียีน้อยคืออันนี้หมายถึงผู้ที่มองด้วยอํานาจของปัญญาเนี่ยนะคือหมายถาว่าถ้ามีปัญญามองก็จะเห็นแบบนั้นแต่สำหรับสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ไม่ได้ใคร่ต่อปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะหรือไม่ใคร่ต่อความพ้นทุกเนี่ยถือว่าความไม่มีเป็นความทุกข์อย่างยิ่งใช่ถือว่าความไม่มีเนี่ยเป็นความเดือดร้อน เพราะฉะนั้นในสิ่งที่คนอื่นมีเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายก็คือต้องการเพื่อจะมีแบบแบบนั้นกันซะส่วนใหญ่ น, นะทีนี้พอมีเข้าแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับอย่างว่านะคนในเหมือนในห้างสปปรรพสินค้าไอ้คนในก็ออกมาคนนอกก็เข้าไปก็อยู่ลักษณะนี้วตัตตาทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แต่แต่ว่าอย่างที่เรากล่าวนี่ก็คืออาศัยพระธรรมคําสอนเป็นเป็นเครื่องชี้แนะเนี่ยทําให้เห็นว่าอะไรเป็นความเสรีอะไรเป็นความไม่เสรี อาทีนวะเนี่ยนะอาทีนวะของสังขารทั้งหลายมีสําหรับผู้มีปัญญาเท่านั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าไปเห็นอาทีนวะหมดนะไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่เป็นอาทีนวะเนี่ยบุคคลทั่วไปเรียกว่าอ ส, สาทะเนี่ยนะเป็นความสุขด้วยนะถ้าเป็นเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญานั่นแหละคือความสุขด้วยอำนาจของวิ ป, ปลาสทั้งหลาย <c oughs> แต่ถ้าหากว่าผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะก็จะรอบรู้ว่าอะไรเป็นความ เสรีและอะไรไม่ใช่เสรีเนี่ยนะจึงความติดข้องความผูกพันเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะพบนี้อย่างเดียวใช่ไมยอย่างชอบใจคำของพระเจ้าสุทัศนะเนี่ยนะที่ตัดกับมเหสีเนี่ยนะก่อนจะท่านก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนเนี่ยคือวันหนึ่งท่านท่านใกล้จะตายว่า ง, งั้นเถอะพูดภาษาไทยแล้วคือพ ร, พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยใกล้จะตายมเหสีก็มา ขอร้องเหมนเถอะให้พระองค์นี้จงยินดีเถอะพระองค์นี้มีช้างแ4ด0มื่นสี่พันเชือกก็รา่ทรัพย์สมบัติให้ฟังเลยนะมีม้าแปดสี่แปดหมืนสี่พันตัวมีเมืองเนี่ยนะที่ที่เป็นเอกราชอ่ะมีอำนาจครอบครอง8 4ด0มื่นสี่พันเมืองมีปราสาทแ4ด0มื่นสี่พันเนี่ยนะก็ไล่มีภาพเพราะว่าเป็นโกดภะเหมือนันนะมีสนมมีบริวารมีสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยนะ ออนะนะพระ อ, องค์จงยินดีเธอยแปลว่าอย่าอยากตายเลยเหมืั้นให้ให้ใหเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้เธอะพระเจ้าสุทัศน์นาก็บอกว่ามเหสีเธอไม่ควรพูดอย่างนั้นเธอควรบอกว่าอย่าอะไรอาวบ์นในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยเหมือนั้นเธอเพราะคนที่อาวบ์แล้วตายเป็นทุกข์ถามว่าเป็นทุกข์ยังไงอัตถกถาท่านก็บอกว่าสมมติถ้าเราเนี่ยมีทรัพย์มีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะ เราติดในบ้านหลังนั้นม า, นนมากก่อนตายโดยที่มีบ้านนั้นเป็นอารมณ์ด้วยด้วยฉันทะราคะเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเอาไหมถ้าเป็นผีเฝ้าว้านอยู่หลังนั้นเลยโออย่างดีเลยนะถ้าเป็นผีเฝ้าบ้านเนี่ยนีก็คือถ้าผีมันก็แบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มรุกกะเทวดาหรือภูมิเทวดากลุ่มหนึ่งกับกลุ่มหนึ่งคือเป็นเปรตเฝ้าบ้านนั่นในกลุ่มหนึ่งนี่นัดว่าอย่างดีแล้วเนี่ยยังพอจะเอ่อเปอร์เซ็นต์คนหยาดน้ําไปให้ยังพอมีอยู่มีกินได้บ้าง แต่ถ้ามันหนักกว่านั้นเนี่ยไปเป็นปลวกอยู่ในบ้านนั้นเนี่ยมันจะเดือดร้อนมากขึ้นกับ น, นั้นอีกนะนะหรือไม่ก็เต็โบราณเขานิยมใช้คําว่าปูโสมเฝ้าทรัพย์เนี่ยนะเป็นอมนุษย์เป็นงูเป็นหนูเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอะ่ะแล้วอยู่ณที่นั้นอ่ะไปไหนไม่ได้อันนี้คือความผูกพันเนี่ยนะมีที่สักแปลงหนึ่งแล้วผูกพันณที่นั้นบ้างแล้วตายแล้วไปอยู่บริเวณเพลอกนั้นเอาไหมนะนะก็ เพราะนี่ไอ้ความเพลิดเพลินเนี่ยตอนแรกๆแบบทั่วๆไปนะสายตาบุคคลทั่วไปเนี่ยเมื่อเอามูลค่าไปวัดก็จะติดข้องในสิ่งนั้นๆใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเอาเรื่องกรรมและผลของกรรมเอาจิตที่เป็นกุศลอกุศลมาจับเอาความติดข้องเอาเรื่องจุติปฏิสนที่มาวัดปั๊บจะรู้เลยว่าไม่ควรแก่การติดข้องก็อย่างในอัตถกถาอังคุตรนิกายกล่าวถึงไอ้ความติดข้องนะนี่ มีบุรุษคนหนึ่งอที่ติดข้องในพันยามากเขารักภริยาของเขามากภรยาก็ไปรักน้องสามีเนี่ยมากกว่าสามี ني, ตอนหลังก็ก็อย่างว่ามีโอกาสก็มีช่องพอมีช่องก็ประพฤติไม่ดีต่อกันเสร็จแล้วก็ไอพันยาก็บอกว่าแนะนําให้ข่าพี่ชายใช่ ني, เดี๋ยวถ้าหากว่าเขารู้แล้วมันจะมีปัญหาในตอนหลังพันยาก็แนะนําให้ข้าน้องอับ ฆ่าผัวตัวเองเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ตอนหลังก็ฆ่าจริงๆริงสามีนี่ก็ไม่รู้อะไรมาตลอดเลยนะไม่รู้ตัวมาตลอดเลยถึงถูกฆ่าก็ยังไม่รู้ตัวหวังกันเถอะเพราะมัวแต่อาบน้ําสะหัวยวอนะน้องชายก็เอามีดนะฟันคอมก็ตายไปไม่รู้ว่าใครมาฆ่าไอ้จิตเนี่ยมัวในในระหว่างก่อนตายเนี่ยรักพัญามมากอะแต่ไม่ได้ด้วยกุศลจิตจุติตรงนั้นนะ่ะมาเกิดเป็นงูเป็นวัวเป็นสุนัขรอบรอบบ้านน่ะ อยู่สามชาติด้วยกันนะแต่เกิดเป็นงูงเงี้ยสมมติชาติที่เกิดเป็นงูนะก็จะเลื้อยเห็นเห็นแม่บ้านของตัวเองอ่ะ น, นะคือเห็นเมียอดีตเมียเนนะี่ยเห็นแล้วรักมากนะงูมันก็ตกประสสยอ่ะนะแล้วเมียมจะรู้ไหมแล้ว่าเป็นผัวรู้ก็ขวัญกันนะนะ <c oughs> ถูกเมียเนี่ยสับตายไปอีกตายนั้นก็ยังผูกพันอีกอยู่ดีนะไปเกิดเป็นสุนัขอยู่บ้านนั้นแหละเป็นสุนัขอะ่ะเวลาไปไหนนะภรรยาก็เอา หม้อน้ำเนี่ยไปถ่วงจมน้ำตายอีกไปเกิดเป็นวัวอกีกนะก็ติดตามไอ้พัญญาไปอีกนะก็พัญญาก็ฆ่าตายอีกครั้งหลังสุดก็มาเกิดเป็นลูกเลยนะใจเนี่ยรักผูกพันมากไปเกิดเป็นลูกของของของเมียเนี่ยก็อยู่ในคันพอคลอดออกมาปั๊บร ะ, ะลึกชาติได้ระลึกชาติได้คืออปรราประเจตนานำเกิดนะเป็นบุญทำให้ระลึกชาติสี่ชาติที่ผ่านมาได้หมดเลย ชาติที่เป็นสามีชาติที่เกิดหลังๆๆมาเนี่ยพอพอละเลิกได้ปั๊บเนี่ยไม่ไม่ดื่มนมแม่เลยนั่นแหละไม่ให้แม่จับต้องเลยก็ตาเนี่ยเป็นคนเลี้ยงนตอนหลังก็ตาก็ถามว่าทําไมไม่เอ่อตอนเด็กมันโตขึ้นพูดได้เนี่ยนะก็ถามว่าทําไมไม่ไม่ให้แม่จับต้องเลยนะทำไมไม่ไม่อยู่กับแม่ไม่รักแม่อะไรงี้ยเด็กก็บอกมันไม่ใช่แม่ผมมันเป็นศัตรูวะงั้น เด็กก็เล่าเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะคือด้วยบุญเป็นปัจจัยทําให้ระลึกชาติได้เรียกว่าอนุสรณ์ญาญเนี่ยญาญที่เป็นผลของบุญเป็นปัจจัยก็ระลึกชาติได้เล่าให้ตาฟังทั้งหมดตาหลานก็เลยร้องให้กันทั้งคู่อะ่ะก็ออกบวชเนี่ยแต่พอดีเกิดยุคนั้นสมัยพุทธกาลพอดีก็ออกบวชทั้งคู่เป็นพระอรหันต์ทั้งตาทั้งหลานเล ย, ยนะในความติดข้องเนี่ยนะแรกๆ ก, ก็ดีใช่ไหมนึกว่าไม่มีอะไรที่ไหนได้นะห ก็หไอหลังจากความติดความคล้องและนำมาซึ่งความทุกอย่างอย่างมหาศาลเนี่ยนะอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เพราะอน